นี่ฟังหมออัฒนาแล้วได้ข้อคิดอะไรกันมั้งหมอวัฒนาเป็น <c oughs> ลูกลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมของหลวงพ่อเทียนนะก็ <c oughs> สมัยหลวงพ่อป่ยก็หมอก็ไปรักษาอยู่ที่ตอนนหมอตอนนํ้ทำงานอยู่ที่สมิติเวสนะเป็นหมอผ่าตัดเมือหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้ก็ทำอยู่ที่บํารุงราชนะ ก็ช่วยเอาธรรมะของหลวงพ่อเทียนไปสอนในนักศึกษาแพทย์แกนทั่วไปนั่นก็ช่วยได้เยอะนะในกลุ่มนักศึกษาแพทย์ที่เกี่ยวกับวิธีการเคลื่อนไหวเราฟังแล้วสิ่งที่น่าคิดหลายๆอย่างนะเป็นข้อคิดนะแต่จะว่าเป็นข้อปฏิบัติก็ยังไม่ใช่นะเป็นข้อคิดต่างๆเกี่ยวกับความเชื่อ แต่ว่าสิ่งที่เราต้องการในช่วงภาคปฏิบัติเราต้องการข้อปฏิบัติเพื่อที่จะนำไปปรับแก้ในอุปสรรคและความปัญหาต่างๆในในตัวในกายในใจของเราเนี่ยซึ่งมันก็มีวิธีการเยอะแต่ถ้าหากว่าเรานำปรับไปใช้ตามเหตุที่มันเกิด อันนี้มันเกิด้องแก้อย่างนี้อันนี้มันเกิดแก้่แก้ไปเรื่อยๆนั่นชื่อว่าเราได้ความเข้าใจในการปฏิบัติแล้วในช่วงที่เราได้ลงมือปฏิบัติตัวรู้ตัวปัญญามันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆปัญหาก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะตัวที่เราแก้ได้ก็เกิดเป็นตัวปัญญา ตัวไหนที่เรายังแก้ไม่ได้มันก็เป็นปัญหาต่อไปนะนั้นเองเราก็จะทําอย่างนี้ยจนกระทั่งว่าตัวรู้เหตุของปัญหาต่างๆเนี่ยเราเห็นได้ชัดปัญหาคือความทุกข์ความไม่สบายหลายครั้งที่เราปล่อยให้ความไม่สบายเนี่ยอยู่กับกายกับใจเรานานขึ้นไปโดยที่ไม่รู้วิธีแก้หรือเราไม่อยากแก้ก็มี นั่นเองอตันหลังมามเมื่อมาได้รู้รายละเอียดตรง น, นี้ลึกขึ้นเมื่อรู้ปัญหารากรุดของปัญหาลรานี้ละเอียดลึกขึ้นได้มากเท่าใดเราก็สามารถที่จะขุดเอารากของความทุกข์และปัญหาออกได้มากเท่านั้นเมาว่าภารากิจของความที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นภารากิจเดียวที่เราจะต้องทำนะเพราะเราเคยเกิดมาเป็นทุกสัตว์ก็ว่าได้ตั้งแต่เรา เกิดเป็นสัตว์บกสัตว์น้าไป็นต้นมาจนถึงนะความเป็นมนุษย์เนี่ยนะก็ เ, เกิดมาแล้วเป็นทุกสัตว์ก็ได้แต่ละสัตว์ที่เราเกิดมาไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์ประเสริหรือไม่ประเสริเราก็ได้ผ่านมาหมดแล้วแล้วก็ทุกมาพอแรงแล้ววันเถอะน่าจะพอแล้วสําหรับทุกที่จะทุกต่อไปแต่ว่าเราเหมือนว่ายิ่ง เราเป็นสัตว์ชั้นสูงขึ้นเป็นอุดมศัตร์เป็นโพธิสัตว์แล้วก็ยังมีทุกข์ที่ละเอียดประณีตขึ้นเรื่อยๆนะนั่นเป็นส่วนที่ท้าทายให้เราต้องได้ฝึกฝนนะได้ฝึกฝนได้ละเอียดขึ้นนะพอดีว่าเรามีได้พบกับมนุษย์สูงสุดคื อ, อ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัมโพธิญาณที่เข้าถึงสภาวะสูงสุดก่อนพวกเราแล้วท่านก็นําวิธีการเหล่านั้นมามาบอกเราเราก็บางคนก็มีศรัทธาบางคนก็ไม่มีศรัทธาบางคนมีศรัทธาแต่ไม่มีความเพียรบางคนมีความเพียรแต่ไม่มีสติบางคนมีสติแต่ไม่มีสมาธิบางคนมีสมาธิแต่ไม่มีปัญญา หรือบางคนมีปัญญาแต่ยังไม่เกิดวิมุตส์อย่างนี้ก็ยากตรงนั้นอีกนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เราใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องก็ไม่ไดหมายความเราจะต้องบรรลุถึงปัญญาและวิมุตสในวนัยวัยนี้แต่ว่ามันจะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ได้พบต่อไปว่าหลังถ้าเรามีความทุกข์อะไรมากกว่านี้เราก็จะได้หาทางออกได้ง่ายขึ้น การที่เร า, เ ร, ารู้ว่าเรามีปัญญาในทางธรรมมากน้อยแค่ไหนเนี่ยตรงที่เรามีทุกข์เราหาทางออกได้ง่ายขึ้นเรื่อยเรื่อยนั่นแหละจนในที่สุดไม่รู้สึกว่าทุกข์เลยไม่ว่าปัญหาอะไรก็ดขึ้นามาไม่รู้สึกว่าทุกข์เลยเพราะเรารู้วิธีแก้หมดนั้นเรียกว่าเราเข้าถึงวิมุตติอ่าอันนั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีเหตุให้ต้องมีปัญหา นะเราก็มีเหตุให้ต้องแก้อยู่เรื่อยๆนั่นเองพวกเราก็โชคดีตรงทั่วไม่ต้องรอปัญหาให้เกิดจนจะลมจะตายซะก่อนถึงจะมาหาวิธีแก้แต่เรามาศึกษาหาวิธีแก้ตั้งแต่ปัญหาบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่เกิดแต่มันจะด้เกิดแต่ว่ามันยังไม่มาถึงเท่านันเองแต่เราก็หาวิธีไว้ก่อนเหมือนเรารู้ว่าความจะเปต้องใช้เงินเนี่ยต้องมีอนาคตแน่ น, น, นอน จะไม่เรื่องใดแ็่เรื่องหนึ่งแต่เราก็เริ่มหาเงินเก็บไว้เมื่อเกิดอุบัติสัและปัญหาขึ้นมาเราก็สบายเพราะมีะปัจจัยหรือมีเงินที่ได้สั่งสมไว้พอแล้วชั้นใดก็ฉันั้นนั้นชื่อว่าเราเป็นผู้ไม่ประมาทนะผู้ไม่ประมาทเท่านั้นที่จะเจริญที่จะมีสิทธิ์ที่มีความสุขแบบนี้ได้นะ นั่นเองในช่วงที่เราปฏิบัตินะตลอดทั้งวันเนี่ยซึ่งก็บางคนก็ปัญหามากบางคนก็ปัญหาน้อยนะนะก็ทุกคนก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะอะไรเพราะชีวิตนี้คือตัวปัญหาปัญหาตรงไหนปัญหาตรงที่มันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็นำไปสู่ความเสื่อมความอาพาธความเจ็บป่วย แล้วก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยเหมือนขึ้นกระทบฝั่งขึ้นแล้วขึ้นแล้วลูกแล้วลูกเราไม่เคยจบเพราะมันเป็นคลื่นกระแสคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงกระแสคลื่นของความทุกข์กระแสคลื่นแห่งความแตกดับเกิดขึ้นตลอดเวลาในร่างกายของเราแต่พอเรามีวิธีการที่จะระงับกระแสคลื่นเหล่าเนี้ยเราก็ฝึกใช้มันเรื่อยๆใช้จนชำนิชำนาญจนในที่สุดเราไม่กลัวคลื่น เหมือนนักเล่นเซิร์ฟนักเล่นสกีที่ขึ้นขยดไหน<ม>ก็รู้สึกว่ามันจะทําให้เขาได้เล่นสนุกได้วยซ้ำไปนะแต่ถ้าว่าคนที่ยังไม่รู้จักวิธีเจตโตขึ้นเล่นขึ้นหรืออยู่กับ ข, ขึ้นเขาก็กลัวเขาก็กลัวคลื่นนั้นฉันใดก็ดีถ้าหากว่าเรายังไม่มีทักษะในการแก้ปัญหาและความทุกข์ให้แก่ชีวิตจิตใจของเราเองเราก็จะวิตก กังวลล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นแก่เราอนาคตรเราจะเป็นอย่างไรเราก็จะเกิดการเตรียมการ <c oughs> ล่วงหน้าอะไรบางอย่างซึ่งบางทีก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้หลายคนเตรียมในการหาเงินหาทองเตรียมเรียนหนังสือหาอสม บ, บัติพระสถานไว้ <c oughs> มากมายหวังว่าจะแก้ปัญหาข้างหน้าได้แต่พอปัญหาเกิดขึ้นจริงก็แก้ไม่ได้อยู่ดี เพราะว่ามันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถาวร น, นะแต่เรารู้ว่าปัญหาต้นตอปัญหาคืออะไรนะแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรเนี่ยเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วก็เตรียมการได้ถูกต้องพอปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาเราก็แก้ไขได้หมดอันนี้คือเป้าหมายกัการปฏิบัติของเราคือการเตรียมสติปัญญาเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลา แล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเราเกิดทักษะเกิดความชนะชนาในการแก้ปัญหาแล้วเราก็มีประสบการณ์มากมายในการแก้ปัญหาแล้วเพื่อนเราเยอะแยะมากมายเพื่อนที่เป็นทุกข์เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมีปัญหาเหมือนกันทุกคนบางคนก็รู้จักวิธีแต่ส่วนใหญ่ไม่รู้จักวิธีแก้เพราะเขาเหล่านั้นยังไม่ได้มาฝึกฝนอบรมไม่ได้มาศึกษาและปฏิบัติ ก็จะเมื่อประสบปัญหาแล้วก็จะหาวิธีออกไม่ได้นั่นนะเราก็จะเป็นเพื่อนเป็นกระดันิมิต ท, ที่ดีของบุคคลเหล่านั้นนะแต่นั้นสิ่งที่เราฝึกวันนี้ไม่ใช่ประโยชน์เฉพาะตัวเราเองเท่านั้นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายด้วยนะซึ่งคนเหล่านั้นมีเยอะแยะเราไปที่ไหนก็เจอทั้งนั้นแหละมีปัญหาต่างๆกันไปปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องสุขภาพเรื่องกายเรื่องใจเรื่องครอบครัวเศรษฐกิจการเมืองสังคมนะ มีอยู่เยอะแยะที่บุคคลเหล่านั้นมีอืแต่ว่าถ้าเราสามารถแก้ไขตัวเราเองได้ก่อนแล้วเราก็ใช้ประสบการณ์เหล่านี้ไปช่วยเหลือคนอื่นต่อไปอันนี้คือกำไรชีวิตนะนั่นเราก็ไม่มองแค่ว่าเราจะต้องปวดเพื่องปัญหาของตัวเองเท่านั้นแต่เรายังมีประสบการณ์และสติปัญญาอีกเหลือพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้อนี้ถ้าเกิดมาชาติหนึ่งแค่นี้ก็น่าจะพอ ไม่ว่าโลกนี้จะเกิดวิกฤตการณ์อย่างไรก็ตามเราไม่รู้สึกวิตกก่าวาดกลัวเพราะเรามีเครื่องเครื่องแก้ปัญหาเอาไว้แล้วนะเพราะฉะนั้นใครจะว่าในโลกนี้จะเกิดนั้นขึ้นเกิดนั้นี้ขึ้นเราก็ไม่รู้สึกว่าวิตกทุรอนอะไรเพราะอะไรเพราะเราเตรียมการที่จะแก้ปัญหาไว้แล้วตลอดเวลานะซึ่งถ้าหากว่าเทียบอีกคนอีกหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านคนที่ยังมัวเอลมาปานในการแสวงหาแต่ความสุขภายนอก แต่ไม่แสวงหาวิธีแก้ปัญหาบุคคลเหล่านั้นต่างหาที่เรารู้สึกวิตกว่าเขาจะอยู่อย่างไรเ <c oughs> มื่อภัยพิบัติต่างๆมาถึงเขาแต่สําหรับเราแล้วนี่เรารู้สึกมีวิธีตั้งรับมีวิธีรับมือเรียบร้อยแล้วดนั้นเราก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างยังสบายนะไม่รู้สึกวิตกกังวลนะแล้วก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะ น, นันก็จึงอยากจะให้ในช่วงที่เรามาฝึกฝนปฏิบัติแบบนี้จึงอยากจะให้ทํากันอย่างเข้าใจและทํากันอย่างถูกต้องอแล้วก็ส่วนไหนคนจริงจังก็คนจะจริงจังส่วนไหนคนจะผ่อนคลายก็คนจะผ่อนคลายเพราะราแต่แล้แ ต, แแต่ตามจังหวะของมันปัญหาที่เกิดนะแต่เมื่อคนที่จะอยู่ในภาวะที่ย่อหย่อนหรืออ่า เ, เครียดเกินไปแต่ให้ดูจังหวะปัญหาต่างๆที่เข้ามาปางจังหวะมันก็มาหนักบางจังหวะก็น้ำมาเบาช่วงไหนที่มาเบาเราก็ทําแก้มันจะสบายๆช่วงไหนที่มันมาหนักเราก็แก้กันอย่างหนักหน่วงได้จริงจังอันนี้คือหลักการของเรานะฉะนั้นเอง <c oughs> อนมาจึงอยากจะให้พวกเราเนี่ยได้ทํากันอย่างต่อเนื่อง จริงจังและทําให้ถูกต้องน้ว่าก็เลยตั้งสโลแกนเอาไว้สำหรับอีซีห้าที่ได้กล่าวไปแล้วว่าศรัทธาวิทยาสติสมาธิปัญญาเนี่ยมาทําเป็นภาษาสั้นๆและเข้าใจง่ายว่าจริงจังตั้งใจต่อเนื่องและถูกต้องนะจริงจังตั้งใจคือมีศรัทธามีวิทยาจริงจังตั้งใจต่อเนื่องหมายถึงสติและสมาธิต่อเนื่องถูกต้องหมายถึงตัวปัญญาเป็นตัวสัมรวจตัดสินว่า อย่างนี้ถูก <c oughs> นะทีนี้ในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่อง <c oughs> ว่าเริ่มต้นที่กายานุปัสนะทาทั้งในส่วนที่เป็นแบบแผนที่พุทธเจ้าตรัสเอาไว้และในส่วนที่เป็นทางหลวงพ่อเทียนที่เราถือมาเป็นวิธีการปฏิบัตินะควบคู่กันไปอนะ แต่ความจริงแล้วนี่สำหรับคนที่ไม่มีปริญญาต์หรือคนที่ไม่มีการศึกษาเนี่ยเราก็ใช้วิธีการหลวงพ่เทีนได้โดยตรงเองใช้ภาษาตรงๆใช้ภาษาซื่อๆใช้ภาษาที่ไม่ต้องมีปริญญาตหรือสับแสงอะไรมากแต่เราบางคนบางทีเราไม่ได้เคยอยู่บ้นนอกบางทียกตัวอย่างบางอย่างเราไม่เห็นภาพอไม่เห็นภาพเช่นอลวงพ่อเทีนถ้ายกตัวอย่างว่า การจัดการกับความคิดเนี่ยเหมือนเราก็เหมือนเราตักน้ําบ่อยไาย์ซึ่งที่นี่หลายคนใครบ้างเคยขุดบ่อยไซยเคยทํำไหมเราไมเคยเห็นแล้วบ่อยไซด์ทำยังไงใช่ไหมเดี๋ยวว่าแต่คนรุ่นใหม่แม้แต่คนรุ่นโยมตีเนี่ยังเนี่ยก็ไม่เคยเห็นแล้วบอยไซด์ทำยังไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวอย่างเหล่านี้ยกมาเราก็ยังงงอยู่ว่าไอ้บ่อยไซด์มันเป็นยังไงแต่ถ้ามาเป็นพาบนนอกเนี่ยมาก็เห็นทุกวี่ทุกวันนะ น่าแรงมา cafe, แล้วก็น้ําในบ่อมันแห้งแล้วก็ไปในห้วยเนี่ยไปในห้วยก็จะมีน้ําขังตามห้วยตามร่องตามนันอยู่แล้วก็ไปขุดที่กองทรายเพื่อที่จะให้ได้น้ําลึกลงไปอีกหน่อยน้ําจะได้ใสท่านบอกว่าในเมื่อขุดไปใหม่ๆเนี่ยบ่อน้ําในบ่อมันจะขุนท่านบอกให้ตักออกโดยทํา บ้าของผู้ที่อยู่ภายนอกก็คือขุดบ่อแล้วก็ต้องดักน้ําทิ้งเพราะในขณะขุดนี่มันมีน้ําขุนน้าเขี้ยวน้ําปากบ่อเนี่ยขี้ฝุ่นขี้โคลนขี้ตรงแล้ต้องตักออกจนล้างให้หมดแต่น้ํามันออกมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งว่าน้ํามันออกมาในก้นบ่อเนี่ยน้ําใสสะอาดเพราะมันกรองมาจากทรายจากหินหลายชั้นอืมแต่ว่าที่มันขุนเนี่ยไม่ใช่น้ําขุนที่ออกมาจากก้นบ่อแต่น้ําขุนเพราะ ขี้ตรงขี้เล่นปากบ่อนยแล้วตักน้ําที่ประสมขี้โดนขี้ล้างไปในตัวเสร็จ <c oughs> แล้วก็ตักออกจนกระทั่งว่ามันหมดความขุนแล้วก็เหลือแต่น้ําใสแล้วก็ใช้กินได้ตลอดนะท่านบอกว่าอุปมานี้ฉันใดนะเราก็เหมือนกันในการที่จะมาขุดค้นตัวเองมามาขุดมาวิจัยตัวเองเหมือนขุดบ่อนี ขุดลงไปเมื่อก่อนนี่เรามีแต่ไปหาน้ําที่อยู่ผิวดินหาน้ําห้วยน้ําหองน้ําคลองน้ําบึงไปบริโภครู้สึกมันไม่ปลอดภัยเราก็ถึงมาขุดบอ่อให้มันลึกลงไปหน่อยจะ ไ, ได้ปลอดภัยนั่นก็หมายความเมื่อก่อนนี่เราทรงจิตออกทางนอกไปหาเรื่องที่มันสนุกสนานไดภ้ภายนอกเข้ามารูปเสียงเกิดโดยสัมผัสเอามาเป็นที่ <c oughs> จันดงจิตจันงใจก็รู้สึกว่า มีพิษพิภัยตามมาเป็นนั้นมากเราก็รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยที่จะมีความสุขแบบนั้นความสุขกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผสัสเพราะมันมีความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หันมาทําตา ม, ามคําสอนของพระศาสดาบอกว่าต้องมาขุดบอ่อในใจของเราเองอมาหาความสุขทางจิต น, นั้นเราก็มาขุดโดยการดึง กายดึงใจมาอยู่ด้วยกันนะกายก็เปรียบเสมือนถึงว่าเป็นแผ่นดินที่เราจะต้องขุดนะใจของเราเหมือนน้ําที่อยู่ใต้ดินแล้วเขา อ, อาศัยเครื่องมือคือสติสมาธิปัญญาเหมือนเครื่องขุดก็ขุดลงไปเรื่อยๆนะขุดด้วยทางทาอย่างไรคือสร้างสตินี่นะที่ยกมือสร้างจังหวะก็ดีกําหนด วิธีการหายใจในรูปแบบต่างๆก็ดีก็เหมือนเป็นเครื่องมือเขาขุดไปไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะถ้าหากว่าขุดหน้าฝนมันก็เจอใส่น้ำไปเรื่อยๆใส่เล็กใส่น้อยแต่ขุดหน้าแรงมันก็ต้องขุดไปลึกนะขุดไปลึกจนกระทั่งไปเจอตาน้านะทีนี้หน้าฝนกับหน้าแรงหมายความว่าไงหน้าฝนจะขุดง่ายหน้าแ้งจะขุดยากอืม แต่จะเป็นต้องขุดถ้าไม่ขุดมันไม่ได้น้ํากินนะฝนนี่จะขุดเวลาไม่ขุดบางก็ได้เพราะไม่มีน้ําแต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องขุดนะเห็นไหม น, นี่คืออุปมาที่ต่างไปปัจจุบันนี้กลับว่าเราเข้าขุดไว้เรียบร้อยแล้วเขาต่อมาให้เราถึงบ้านต่อมาให้เราว่าชั้นใดก็ดีจิตของเราเหมือนกันธรรมะต่างๆครูอบาอาจารย์ให้อบรมสั่งสอนไว้เรียบร้อยแล้วส่งเราถึงบ้าน ตามสื่อต่างๆเว็บไซต์อีเมลไลน์เฟซบุ๊กนะก็ทั้งรายการธรรมะต่างๆส่งเราถึงบ้านถึงที่นอนเราก็มีแต่เปิดเหมือนเปิดน้ําที่ก๊อกกินเท่านั้นเองนะมันง่ายแค่นั้นแต่นั้นเป็นน้ําที่เราต้องซื้อเป็นน้ําที่เราต้องเสียเงินนะเดือนหนึ่งเราต้องเสียเงินค่าอินเทอร์เน็ตค่า เงินค่านี้ธรรมเนียมต่างๆไปที่ไหนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีสัญญาณก็ไม่ได้ดูไม่ได้ใช้ละเห็นไหมเราต้งเสียแต่ว่าท่านบอกว่าคําสอนเหล่านั้นที่ได้ฟังจากครูบาอาจารย์ที่เปิดเหมือนน้าท่อต่อถึงบ้านเราเนี่ยมันไม่แน่นอนเดี๋ยวมันแห้งเดี๋ยวมันไม่มีเงินจ่ายก็ไม่ได้ใช้ท่านบอกว่าทางที่ดีที่สุดเราต้องขุดบ่อของเราเองที่บ้านเลยไม่ไม่จะเป็นต้องต่อท่อเข้ามา นั่นหมายความขุดบ่อน้ำดึกเรต้องมาขุดเราเองนั่นหมายความว่าเราต้องแสวงหาธรรมะในใจของเราเองไม่ต้องไปรอคําสอนครูบาอาจารย์ซึ่งไม่แน่นอนแล้วก็ไม่ใช่ของจริงนะเราก็เลยมานั่งสร้างจังหวะมาเดินจงกรมด้วยตัวเองเราจึงเป็นนักแสวงหาน้ําอมฤตด้วยการลงมือขุดบ่อนด้วยตัวเองนะซึ่งมืนก็จงยากเป็นธรรมดาเราก็ต้องฝ่า ด่านต่างๆฟาดานนิวรฝาดานความอยากตัณหา่าดานความโกรธความโลภความหลงต่างๆซึ่งจะต้องเป็นเหมือนชั้นด่านชั้นหินชั้นทร า, ายลึกลงไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องขุดนะมันก็ต้องหนักเหนื่อย ถ้าขุดบ่อเราจะให้มันสบายมันเป็นไปไม่ได้เหมือนกันเรามื่นั่งสร้างจังหวะเดินชัวโมงมันก็มีความหนักความเหนื่อยความปวดความเบือ่อความเซ็งความล้าความง่วงเหงาห่อนอนมันก็ต้องตามมาอันนี้เป็นธรรมดาถ้าจะได้ขุดบ่อลึกแล้วจะให้มันสบายมันเป็นไปไม่ได้เหมือนกันแต่จะมา่นั่งทําความเพียรแให้มันสบายมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็จะต้องมีหนักมีเหนื่อยมือเบื่อมีเซ็มเงมีอะไรเป็นธรรมดาแต่ตัวนั้นคือตัว ทำให้เรามีกำลังถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคเราก็ไม่ได้ออกแรงเมื่อออกแรงแล้วเราก็มีกำลังได้กำลังมากำลังของอะไรกำลังของศีลกำลังของสมาธิกำลังปัญญาก็เพิ่มขึ้นเพราะการแก้ปัญหาแลือุปสรรคนั่นเองถ้าเรามีปัญหาอุปสรรคให้แก้ศีลจะไม่ปัญญาจะมาจากไหนเช่นเราแก้ความโลภหรือราค้าได้ศีลก็ปรากฏ เราแก้ความโกรธได้สมาธิก็ปรากฏเราแก้ความหลงได้ปัญญาก็ปรากฏเพราะฉะนั้นศีลสีสิปัญญาก็โดยการที่แก้โลกโกรธหลงนั่นเองไม่มีโลกโกรธหลงให้แก้ศีลปัญญาสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดนะไม่มีนิวรณ์ให้แก้นิวรณ์ทั้งห้ามก็คือโลกโกรธหลงนั่นเองกนะาร ม, มาชันท่คือโลคพยาบาท่คือโกรธถีนวิทะ ความงุงงา้านอนอุทจฉาความฟุง้งซ่านวิธีคิดษาความลังเลยสงสัยสามตัวนี้ก็โมหะคือความหลงนั่นเองโลกกวดหลงก็คือมาจากนิวรณ์ทั้งห้านั่นเองนี่ถามว่านิวร้งไอ้นิวรณ์ทั้งห้ามาจากไหนนิวรณ์ทั้งห้ามาจากไหนนิวรณ์ทั้งห้าก็มาจากเวทนาทั้งสามคือสุขเวทนาทุกเวทนาอนทุกขก็มาสุขเวทนา สุขเวทนาเมื่อขาดสติตามรู้ว่าเกิดเป็นความใคร่ความอยากความสนงกสนานเพลิดเพลินคือการมาฉันทะทุกเวทนาที่ไม่มีสติสัญญาตกลงก็แปลเปลี่ยนเป็นพยาปาทะปฏิฆะคือความไม่พอใจไม่สบายใจไม่สนุกความอึดอัดขัดเคืองขึ้นมาเขาเรียกพยาปาทะอืและตัวทุกขโมยสุขเวทนาตัวเดียวนั่นแหละ สามารถเป็นได้ทั้งสตัวคือเป็นความง่วงเหงาห้องนอนความฟุ้งซ่านและความสงสัยมาจากตัวอทุกขมสุขเวทนาเพราะนั้นตัวนิน ว, นวรังห้าก็มาจากเวทนาทั้งสมและเวทนาทั้งสา ม, มาจากไหนเวทนาทั้งสามก็มาจากไตรลักษณิจังทุขังนาตาอานิจจังก่อให้เกิดสุขเวทนา ทุกขังก็ให้เกิดทุกขเวทนาอนัตตก็ก่ให้เกิดอทุกกมสุขเวทนานี่อ น, นิจจังทุกขังอนัตตาจึงเป็นตัวหลักที่เราที่ต้องมาศึกษาและปฏิบัติแล้วถามต่อไปว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดมาจากไหนนีตามลึกขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> อ น, นิจจังทุกขงังอนัตตา สามตัวเนี่ยถ้าย่อเหลือสองหรืออะไรใครได้บ้างเพราะว่าเมื่อวานพูดไปแล้วยมตีจำได้อ น, นิจจังทุกขังอนัจญาย่อเหลือสองมันควรจะเหลืออะไรฮะไม่ทราบอั น, นิจจังทุกขังนั้นคือการเกิด อนัตตาคือการดับเพรนะาะนั้นนิจังทุกขังก็มาจากการเกิดดับนั่นเองอเห็นไหมแล้วการเกิดดับก็จึงเป็นธรรมชาติของจักรวาลมีเกิดแล้วก็มีดับตลอดนะด้วยการเกิดดับนั่นเองก็ก็ให้เกิดไตรลักษณ์ต ร, รักษณ์นั่นเองก็ให้เกิดไตรเวทนาทั้งสามเวทนาทั้งสามก็ให้เกิดตัว กิเลทั้งสมตัวก็ให้เกิดนิวรณ์หนิวรณ์หก็ให้เกิดกิเลสทั้งสตัวไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็จึงจะตามรู้ในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดไม่ได้ไม่ทันเราก็จึงมาสร้างเครื่องมือคือตัวสติคือมาสร้างตัวรู้ให้เกิดขึ้นเรื่อยๆหน้าที่ของเราก็ทําตัวรู้เรื่อยๆแต่ที่เรามาทําตัวรู้นี่มาทําได้สองรูปแบบหนึ่งรูปแบบที่เรา สร้างไปจังหวะและเดินจงกลุ่มสองเป็นรูปแบบที่เราประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในชีวิตจริงของเรานะเพว่าการกินข้าวอาบน้ำล้างถ้วยล้างชามทำความสะอาดปัดกว่าเช็ดถูหรืออะไรก็ตามอะนะรับ้เด็หลับหรือตื่นนอนเราจะต้องใส่ตัวรู้ลงไปเรื่อยๆเรืยๆจนชำนินาญเมื่อจะรู้เพิ่มขึ้นแล้วเป็นยังไง เราก็สามารถที่จะเข้าไปตามรู้ในอิริบทเล็ ก, ล ก, ลกๆน้อยๆได้ทั้งหมดและตัวรู้ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวได้เองมันก็จะมีกำลังนะมีกาลังมิโยมที่สนมุกถามธรมาว่าตัวรู้สึกตัวที่เกิดจากการลมหายใจกับกับการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันอามาก็บอกว่า แล้วเวลาโยมกําหนดล้มหายใจเนี่ยโยมเคยง่วงมั้งไหมเอาอย่าว่าใจง่วงท่านหลับไปเลยก็มีอ้าวทาไมไม่เอาสติที่เจอจากลมหายใจไปแก้ะเพราะว่ามันแก้ไม่ไหวมันมันกําลังไม่พออ้าวง่ายเวลาโยมนั่งยกมือเนี่ยกับนั่งกําหนดลมหายใจไหนง่วงง่ายกว่ากันกําหนดลมหายใจง่วงง่ายกว่าเพราะอะไร เพราะกำลังสติมันอ่อนกว่าเออนั่นแหละมันต่างกันตรงนั้นแหละ <c oughs> แต่นั่งยกมือเคลื่อนไหวเนี่ยามาคิดดูว่าสติที่เกิดจากลมหายใจเนี่ยมันเหมือนคมเหมือนมัดโกนแต่มันไม่มีน้ําหนักโยมอยาไมโกนไปตัดไม้เป็นต้นไม่ได้แต่ว่าสติที่เกิดจากการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเหมือนกับคมของขวานเขามีโตโยมขวานมันมีโตไปตัดไม้ขาดด้วยขาดเพราะอะไร กำลังมันดีน้ำหนักมันดีฉันใดก็ฉันนั้นกําลังของความรู้สึกตัวที่เกิดจากการเคลื่อนไหวในทุกระดับมันเหมือนเรื่อยเหมือนขวานแต่เหมือนไม่โต้มันมีกําลังแ ล, แล้วก็ดวอสติที่เกิดจากลมหายใจทุกระดับเนี่ยมันก็เหมือนมีดโกนมีเล็กๆมีดหันพลไม้คมคมเฉียบแต่ว่าไม่มีน้ําหนัก นะมันก็จะใช้ได้บางหน้าที่เท่านั้นแต่ไม่ได้จะ ท, ทุกหน้าที่อันนี้คือตัวหนึ่งที่เราจะเห็นความแตกต่างเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะต้องมาหาอุบายว่าจะทงไงอยู่การเคลื่อนไหวได้อย่างมีความผ่อนคลายและความสบายแต่ถ้าเราอยู่การเคลื่อนไหวอย่างฝืนทน จ, จําใจนั่นแสดงว่าเรายังไม่มีอุบายที่ดีเรายังไม่รู้จักวิธีการที่จะอยู่การเคลื่อนไหวอย่างมี ความผ่อนคลายเราก็ต้องทําไปศึกษาไปหาวิธีไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรามีความสุขอยู่กับการเคลื่อนไหวและเคลื่อนไหวด้วยมีสติสมัมปชัญญะมากขึ้นอแาทานที่จะเคลื่อนไหวทิ้งๆควงๆเหมือนเมื่อก่อนที่เราเคยผ่านมาที่เรายัางไม่รู้จักวิธีนี้เราเคลื่อนไหวมาตลอดชีวิตเหมือนกันแต่การเคลื่อนไหวของเราไม่เป็นประโยชน์ในแง่ของการสร้างสติสมัมปชัญญะได้เลยนะ พระนั่นเองนี้จึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยแสวงหาอุบายวิธีว่าเราจะมีสติกับการเคลื่อนไหวในทุกระดับของร่างกายและจิตใจอย่างมีความสุขและมีความเข้าใจได้อย่างไรถ้าจะแสวงหาให้แสวงหาสิ่งนี้ถ้าหากพบอุบายวิธีที่จะอยู่กับการเคลื่อนไหวคือการเกิดและการดับของร่างกายได้แล้ว อันนั้นคือทั้งหมดของพรหมจรรย์ที่เราปรารถนาคือเราจะไม่มีทุกข์อีกเลยแล้วชีวิตชีวิตของเราก็จะรู้จักใช้เราก็จะเห็นว่าความสุขอันเกิดจากการเสพในรูปเสียงกีโดสัมผัสนั้นเป็นความสุขที่สำหรับเด็กๆสาหรับเด็กสำหรับคนที่ยังไม่มีวุฒิภาวะ แต่เราจะเห็นความสุขที่ละเอียดและประณีตความสุขใจความเย็นใจความสบายใจความอิ่มใจนั่นเป็นความสุขที่เราเป็นความสุขของผู้ที่มีวุฒิภาวะเป็นความสุขของชั้นอริยะเป็นความสุขที่ประเสริฐสุขแล้วไม่เสื่อมนะแต่ความสุขอันเกิดจากรูปสังเกตโดสัมผัสเป็นความสุขในกามาคุณเป็นความสุขของชั้นอนุบาล มนุษย์ชนอนุบาลแม้ว่าคนนั้นจะอายุ80ดส้าสิแล้วก็ยังเขาก็ยังเป็นมนุษย์อนุบาลอยู่เพราะเขายังยินดีในสุขที่จ่มปลอมแต่ถ้าหากว่าเราอายุแม้ยังน้อยแต่ว่าเรายินดีในสุขที่ประณีตที่เกิดจากความเห็นความจริงแล้วเกิดความเบื่อหน่ายใครจางในความสุขอันเกิดจากอายตนะคือรูปเสียงกิริสัมผัส แม้เราจะเป็นอายุอย่างน้อยแต่ว่าเราก็เป็นมีเป็นผู้ใหญ่เป็นวุฒิภาวะสูงอันนี้เราเรียกว่าเป็นอริยะนะมีเป็นความสุขที่ประเสริฐเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมนะตนั้นเองก็มเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ยากนะไม่ว่าเราจะปฏิบัติในช่วงไหนเราก็รู้สึกสนุกด้วยทั้งนั้นแหละนะ ในเมื่อเราไปสนุกอยู่การปฏิบัติแล้วชีวิตของเราก็ไม่มีความทุกข์พอรู้ว่าทุกข์เกิดจากอะไรเ น, นั่นในวิธีการหลวงพ่อเทียนที่ท่านให้เอาไว้จึงเป็นวิธีการเป็นอุบายธรรมที่ <c oughs> วิเศษและยอดเยี่ยมเพราะเราทําให้เราเห็นแจ้งในตัวเองได้เรื่อยๆเพราะเราไม่เป็นฝ่ายตั้งรับหรือฝ่ายยอมจํานวนต่อทุกข์ที่เกิดขึ้น แต่เราเป็นฝ่ายลุกลุกเข้าไปดู ว, ว่าง่า ยายได้ยินไหมยายได้ยินหรือเปล่าสบายจังเหรคนหูเวดีเนี่ยไม่ต้องฟังโย่แม่จะมาคุยแกเก็์ยิ้มเฉยแบายครั้งก็เป็นฟ า, า, าราหันน้อยๆแล้วนะคนหูเวดีนะี่นะใครด่าใครว่าใครนินทาก็เฉยเ ย, ยิ้มได้ ดังนั้นเรื่องของการปฏิบัติก็อย่าทอ้อนะแต่เราก็ไม่เป็นไรท้อแต่เราไม่ไม่ถอยนะใ น, นเมื่อจิตของเรายังไม่เข้มแข็งมันก็ยังเกิดมีทุกอย่างถ้าจิตของเรายังอ่อนอยู่แต่เราอย่าอย่าถอยท่านเองทําไปเรื่อยๆนะทำอย่างให้จิตมันเข้มแข็งไวสมัยหนึ่งตอนตอนที่อ ลูกศิษย์พระสารีบุตรชื่อว่าสมณินบดีแต่สมณินไปวินเทบาต์กับพระสารีบุตรผู้เป็นอาจารย์ไปเห็นไอ้เขากําลังเลาลูกศรนนาเช้านาเขาเลาลูกศอนเวลาสมัมยนะั้นเขาใช้ลูกสรนเนาะไปยิงนกยิงปกยิงปลาอะไรก็แต่เขาใช้ลูกศรแต่พอเลาเสร็จแล้วนี่เขาเขา ไม่ได้ใช้นะเขาเอาไปลนไฟลนไฟนไฟก็ดัดไฟก็ดัดเขาลนไฟเพื่ออะไระหนึ่งเพื่อให้มันแข็งสองเพื่อให้มันตรงเพราะไม้ทั่วไปเนี่ยเป็นไม้ที่ยังอ่อนยังโค้งยังงอใช่ไหมถ้าไปลนไฟเนี่ยมันจะแก่ตัวได้เร็ว หมายความว่าเป็นการเล่งอายุมันน่ะเพราะตัวร้อนนั่นเองจะไปเล่งอายุไม้ให้เข้มแข็งเออสมัยนีก็เกิดขึ้นมาทีเ อ, อีขนาดไม้มันไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีชีวิตวิญญาณวิจิตวิญญาณมันยังดับได้เลยแล้วเราเป็นมนุษย์ทําไมเรายังดัดใจตัวเองไม่ได้ได้สติขึ้นมาเลยโอ้ต่อไปเราจะฝึกตัวเองเหมือนในช่างฝึกลูกศรแล้ว ก, กล่าว ไอ้คาถาขึ้นมาอย่างนี้ว่านี่คาถาันธ์ท่านวิจัยสำเนินนะบอกว่าพันธนังจะประังจิตตังทุรักขังทุนนิวารยังอุชุกัโรติเมธวิอุชุกัโรจะเตชนังจิตนี้กดแก่งดิลลุนห้ามยากรักษายากอุชุกัโรจะเตชนังนะคนที่ มีปัญญาเท่านั้นอุชุงกโรติเมถุคนที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะทําจิตเนี่ยให้ตรงได้เหมือนช่างสอนดัดลูกศอนให้ตรงได้ฉะนั้นน่ะฉันใช้คำอุชุงกโรติเมทาวีคนที่มีปัญญาเท่านั้นจะทําจิตที่มันดคดเขี้ยวเี้ยงอคิดโน้นคิดนี่เนี่ยให้มันตรงที่เรียกว่ารู้ซื่อได้วันนี้จิตรู้ซื่ อ, อบ้างไหมรู้หลายเรื่องหรือรู้เรื่องเดียว หลายเรื่องเลยนะี่แสดงมันโคตรไปโคตรมากับความคิดมันพาไปมันไม่ซื่อแต่ถ้าหากว่าเราตามรู้จิตให้มารู้ซื่อๆเนี่ยตรงๆอันนั้นเขาเรียกรู้ซื่อๆคนมีปัญญาทำได้แต่การที่เราปล่อยให้จิตโคตรตรงนั้นงอตรงนี้แสดงวาปัญญายังไม่เกิดจิตมันยังโคตรไปโคตรมากับไปตามอารมณ์อยู่แต่ถ้าหากว่าจิตของเรา ดูกายซื่อๆดูใจก็ซื่อๆไม่ต้องไปดันมันดูนานๆน ะ, ะดูไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็โคดไปตามเรื่องของมัน่ะแต่เราจะไปโคดกับมันเพราะอะไรก็ปรุงแต่งไปตามเรื่องของมันเรื่องนั้นบางอันนี้บางแต่เราอย่าไปเชื่อมันเท่านั้นเองนี่เขาเรียกว่าดูซื่อๆแต่ไม่ให้จิตมันคิดเป็นไปไม่ได้มันก็คิดอย่างงี้ตามเรื่องของมันเป็นธรรมชาติของมันแต่ถ้ามันไม่คิดในผิดธรรมชาตินี่แต่มันคิดในถูกต้องแล้ว แต่บางคนไม่อยากให้มันคิดเนะี่ยถือว่าผิดก็คิดแต่เราจะไปคิดเราจะไปไปกับมันเท่านั้นเองนี่เขาเรียกว่าดูซื่อๆนะไม่ใช่ว่าให้กายซื่อๆไม่ให้คิดไม่รู้สึก อ, อะไรให้ใจซื่อๆไม่ให้คิดอันไม่ใช่อย่างนั้นกายกับใจมันซื่อไม่เป็นหรอกเพราะอะไรเพราะไปตามกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาใช่ไหมเป็นปไปตามกฎอนั้นแต่ สิ่งที่อยู่เหนือกฎขอนอนิจจังทุกขังน้าตาได้คืออะไรก็คือตัวนามพราะนามมันไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามนั้นแต่รูปเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงตามกฎขของไตรลักษณ์แต่นามไม่เปลี่ยนนามคือตัวรู้ไม่เปลี่ยนแปลง <c oughs> มันเคยมีอย่างไรก็มีอย่างนั้นนะเราก็มาอยู่เอาจิตมาอยู่กับตัวรู้เสียแทนที่จะเอาจิตไปอยู่กับตรยลักษณ์จิตของเรามันเป็นกลางก็มาอยู่กับตัวรู้ มันก็จะอยู่เอาตัวรู้เป็นเป็นหลักแทนที่จะไปอยู่กับใจรักถ้าไปอยู่ใจรักจิตของเราก็หมุนไปหมุนมาเดี๋ยวจะ อ, อย่างนี้นเดี๋ยวจะ อ, อย่างนี้มันก็ทําให้จิตมันโคตไปโคตมาแต่พออยู่กับตัวรู้ตัวรู้นี่ยมันไม่โคตรอ่ะอืมเช่นแสงสว่างแสงพระทิตเนี่ยมันไม่โคตรมันยิงตรงมาอย่างโลกเลยนะอ่านดูอย่างนั้นดังนั้นเมื่อเรา รู้อย่างนี้สมเนรเดินไปอีกหน่อยไปเจอชาวนาไห้น้ำข้านาเอาน้ําไปตำเหมืองอะนะชาวนาต้องการเอาน้ําไปตรงไหนเนี่ยน้ําไปได้หมดก็มาได้สติอีกเออน้ําไม่มีจิตวิญญาณแต่ทําไมฝึกได้แล้วแต่คนจะพาไปทางไหนมันก็ไปเออเราเป็นมนุษย์ทําไมฝึกตัวเองไม่ได้ก็ได้สติอีกในที่สุดท่านก็เลยกลับวัด ไปตั้งความเพียรทาความเพียรไปโดยนจูงผมไปสร้างจังหวะตั้งแต่แปดโมงไปถึงเที่ยงบรรลุธรรมเลยนะแต่ยังไม่ได้สันเช้าเลยนะพอได้อารมณ์แล้วกลับไปปฏิบัติพอจะไปถึงใกล้เที่ยงพะสายริบุตรก็เอาเพลิไปถาวายนะเป็นสาเนนองค์ใหม่ในสมัยนั้นมีสาเนนที่เป็นพระอรหันต์อยู่หองค์ อมาจําได้สองสามวงมีบัณฑิตแต่สน็นสังกิจจะสมณีที่มุตตะกศสมณีแล้วอะไรสองสามองไหนะจำไม่ได้นะเป็นสมณีอย่างสังกิจจะสมณ น, นแค่อามิดกุลชี้หัวเจโกนผมเนี่ยบรลุธรรมแล้วองนี้ประวัติพิสดาร น, นะดังนั้นเราก็จึงไม่ท้อถอยเพราะมันมีบุคคลตัวอย่าง มาแล้วเยอะแยะมากมายแต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะไร้วั ส, สนาบา ร, รมีสเสลยที่จะรู้เรื่องนี้เพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้ให้ถูกเท่านั้นเองนะมันก็ไม่ได้ไปจากท่าสี่ขันธ์ห้าของเราหรอกไม่ได้มีอะไรที่ซับซ้อนไปจากท่าสี่ขันธ์ห้าเพียงแต่เรารู้จักปนฏะิบัติหัดเก่าเอาใจใส่อยู่เรื่อยๆนะแต่สำหรับคนหนุ่มคนสาวจะยากหน่อยเพราะอะไรเพราะมีข้อสงสัยอีกเยอะ แต่สำหรับคนที่เป็นเคยผ่านครอบครัวผ่านบ้านผ่านเดินมาแล้วก็ความสงสัยต่างๆก็จะเบาบางลงเพราะอะไรได้ผ่านมาแล้วก็เกิดเป็นประสบการณ์แล้วก็รู้เข้าใจปัญหาในเรื่องของโลกผ่านมาแล้วปีเงี้ยอ <c oughs> โลกก็รู้จักรอของมันแล้วโกรธก็รู้จักรอดของมันแล้วหลง ก, ก็รู้จักรอดของมันแล้ ว, ลล แ, ลวแต่คนหนุ่มคนสาวของเรานี่โลกโกรธหลงยังไม่เข้มข้นพอก็สงสัยเป็นธรรมดา แต่เกิดว่าคนนู่คนสาวคนไหนเกิดวุฒิภาวะสูงนี่นะเห็นภัยของโรคปวดหลงเป็นภัยสําหรับชีวิตของตัวเองแล้วเกิดเบื่อหน่ายครายจางนี่เขาเริ่มมีวุฒิภาวะทางจิตสูงได้มีส่วนเคยทำมาก่อนนะซึ่งเราก็จะไม่ดูถูกตัวเองเพราะาเราเคยผ่านการศึกษาและการปฏิบัติมาอาจจะพบชาติอื่นมาแล้วบ้างก็ได้ถ้างั้นเราทําไมจะต้องมาจุดนี้นะมันจะต้องมีเหตุเป็นไปเป็นมา อันนี้คือส่วนที่ปรารุภั้ฟังนะว่าในเรื่องกายยานุปัสสนาเนี่ยเราจะต้องมาดูในส่วนนี้ดูในส่วนของความรู้สึกตัวนี่ให้ได้ <c oughs> ที่นี่ในกายเนี่ยท่านแบ่งเป็นอยู่หลายๆส่วนนะส่วนที่เราจะดูอ่ะดูส่วนไหนถึงจะถูกถ้าถา ม, มานะว่ามาดูกายเนี่ยดูส่วนไหนบ้าง ท่านให้ดูหกส่วนส่วนที่หนึ่งให้ดูง่ายๆคือลมหายใจเข้าออกรู้เฉยๆนะไม่ต้องไปนั่งดูว่ามันเข้ายัางไงเออมันเข้าเป็นพุทธหรือออกเป็นโธเข้าเป็นพองหรือยุบเป็น เ, เ, เข้าเป็นยุบหรือออกเป็นพองอะไรเนี่ยไม่ต้องไปรู้ขนาดนั้นหรอกจะเข้าเป็นสัมมารหรือออกเป็นพระหังไม่ต้องรู้แค่ว่ามันเข้ามันออกแค่นั้นก็พอรู้บ้างไม่รู้บ้างอนะ อันวที่หนึ่งให้ดูตอนนั้นอันที่สองให้ดูว่นขนาขณะนี้เรานั่งในดีบุตนั่งเรารู้สึกไงบ้างสบายหรือไม่สบายยืนเดินนั่งนอนดูในสี่ส่วนที่เราทํามาทั้งหมดวันเนี้ยแล้วดูแล้วเป็นยังไงบ้างมันสุขหรือมันทุกข์มันสบายหรือไม่สบายนี่ส่วนที่สองให้ดูอันนี้ส่วนที่สามดูอินดิบทย่อย ในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเรามีหู่นยืนขึ้นไว้เหลวซ้ายไหลขวาก้ามเงยยกมือซ้ายขวาปิน่นเหลวซ้ายไหลขวามีอยู่เดียกอีบุตย่อยส่วนที่สามให้ดูในส่วนนี้แม้แต่ยกมือสร้งางจวะนี่ก็เป็นอีบุตย่อยนะ อ, อีบุตย่อยนี่ไม่เค้าทำได้ในอีบุตรสี่ยืนทําก็ได้เดินทํานั่งทํานอนทําได้อีบุตย่อยในทุกๆุกในในบุตอันนี้ส่วนที่สาม ส่วนที่สี่เรียกว่าดูอาการสามสิบสองในสามสิบสองในร่างกายเขามมีสามสิบสองอาการนะสามส่วนาาผมขนหมนายความว่ามันมีอะไรอยู่สามสิบสองส่วนแต่ละส่วนจะมีอาการเช่นผมของเราอยู่บนหัวเนี่ยมันมีอาการไหมคุณตองจับมันดึงดูดิมันจะเกิดอาการไปไงนะมันมีอาการ ผมคนเล็บฝันหนังเนี่ยคุณต้องไปจับไปฉีกไปจี้ไมน่มีอาการเปร็นยะังไงดูอาการที่ปรากฏนั้นอาการส2สองย่อแล้วมันก็เหลือสองอาการคืออาการสบายและไม่สบายนะผมคนเล็บฝันหนังตั้งแต่ทุกส่วนนะแล้วส่วนที่ห้าคือมาดูธาตุสี่เพราะในร่างกายของเรามีสี่ธาตุ ในสี่ธาตุก็ย่อไปจากอาการสามสองธาตุละแปดธาตน้ำแ8ดธาตุดินแปดธาตุไฟแปดธาตุลมแปดสี่แปดสามสอง 8, 48, อาการไหนที่เราเคลื่อนไหวได้ทั้งตัวเนี่ยเราไม่แยกย่อเป็นอาการเรียกว่าลมเรานั่งได้ไม่ล้มไม่เป็นน้อนเป็นนี่ก็เรียกว่าธาตุดินแลาวรู้สึกเย็นธาตุน้ําเราเรื่องสิร้อนธาตุไฟเห็นไหมดินน้ําลมไฟทั้งนั้นเป็นตัวเรา แต่เราไม่เข้าใจเราก็นึกว่าดินน้ําโมไฟเป็นเราอาการ3้เป็นสองเป็นเราแต่ความจริงคือเป็นธาตุเป็นขันนั่นเองเนะอาการที่5คือดูธาตุสอาการที่6ก็คืออาการว่าตลอดเวลาที่เรานั่งอยู่เนี่ยของเสียของเน่าของบูตรของเสียไหลอจะร่างกายเราตลอดเวลาเสียวต่างๆมันได้ตายตลอดเวลา แต่เราไม่เคยได้สังเกตมันเรามีแต่ไปเข้าห้องน้ําห้องส้วมอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันรู้สบู่อยู่งั้นแหละแต่หารู้ไม่ว่านั่นคือเราชําระของเสียแต่เราอยู่กับมันจนชินนี้การดูร่างกายจึงดูได้หส่วนหนึ่งดูอะไรลมหายใจสองดูรีบทสี่สาดูดีบทย่อย4ดูการ12บหดูท่า4ีหดูของเสียท่านเรียกว่าดูสิ่งปฏิกูล เราทุกบ้านเรามีห้องน้ําห้องส้วมเพื่อชําระสิ่งปฏิกูลออกจากร่างกายแต่เราก็ไม่เคยเบื่อหน่ายไม่เคยดังเกียดไม่เคยขยะขยงมันเพราะอะไรเพราะเราคิดว่ามันเป็นของเราแล้วเราก็สําคัญผิดมาอย่างนี้มาหลายภพหลายชาติแล้วด้วยแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติภาวนาปฏิบัติวิปัสสนาให้เกิดปัญญาเราก็จะหลงสําคัญผิดว่ามันเป็นของเราอยู่ยนี้ไปอีกหลายภพหลายชาติเราก็ต้องทุกข์กับมันนะ แต่พอเมิมว่าชาตินี้เราได้มาเจอวิปัสนาความรู้วิปัสนาเราก็ปฏิบัติจริงจังจนเกิดวิปาาัสนาญาณจนเห็นความจริงโอ้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นของที่ต้องแตกดับตลอดเวลาเราก็จะถอนความเป็นเราออกจากอาการเหล่านี้เหลือแต่ความเป็นธรรมชาติธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเราก็บริหารใช้ไปตามหลักของกรรมเพราะมีกรรมเราจึงได้เกิดมาเป็นสิ่งนี้ เราถึงได้มาสวยสุขสวยทุกข์เพราะมีกรรมเราก็จะบริหารกรรมของเราให้มันเบาบางเผื่อเราจะต้องไม่ต้องมาทรมานกับมันอีกกรรมนัน่คือเราไม่ต้องไปสร้างอาวิชชาตันหาอุบท า, านกรรมก็จะไม่มีแต่ตราบใดที่มีอวิชชาตันหาอุบทานกรรมก็ต้องมีกรรมก็ต้องทําให้เราไปเกิดตามดีตามชั่วเกิดดีบ้างเกิดชั่วบ้างเกิดดีก็เป็นสุขเกิดชั่วก็เป็นทุกข์ ก็สลับกันไปอย่างน ال ี <sak it> mm. ้ตลอดฮบชาติกับกันเมื่อใดยังไม่เกิดปัญญาเห็นแจ้งเราก็ยังไม่เบื่อมันเมื่อไม่เบื่อเราก็ต้องเกิดเวียนว่ายไเกิดอย่างนี้ตลอดแต่เมื่อไหร่วันใดวันหนึ่งเราเกิดปัญญาเบื่อหน่ายครายจังไม่ยึดมันถือมันถอนความเป็นเราออกเสียเราก็ไม่ต้องไปเกิดอีกการเวียนว่ายไเกิดก็ไม่มีนะอันนี้คือเรียกว่าหลักของการถอนกรรมคือถอนความพอใจไม่พอใจออกจากร่างกายให้จิตใจอันนี้นั่นเองง่ายไหม ง่ายไหมง่ายน่าจะง่ายก็เราทําได้อะใช่ไหมจะง่ายจะก็ทําได้จะยากก็ทําได้เราทําได้นะเพราะฉะนั้นอมาก็เลยโอ้โชคดีอย่างเกิดมาชาตินี้ได้เห็นสิ่งนี้นะอย่างน้อยก็เรียกว่าเราไม่ทุกข์อีกต่อไปอ่ะพราะรู้จักวิธีเราก็จะมีแต่ความ สบายมีแต่ความผ่อนคลายนะมันยิ่งกว่าสุนะสิ่งนั้ น, นเรียกว่าบรมสุท่า น, นว่าคือเหนือสุเหนือทุ ก, กันเองนะอันนี้คือดูในเรื่องกายแค่นี้นะทีนี้ในแง่ของรีบรูปนามในวิธีการที่หลวงพ่อเทียนนามาสอนจะรู้แบบไหนก็รู้แบบที่ว่ารู้ของสองอย่างก่อน คือกายกับใจเราเรียกว่ารูป ก, กับนามแต่รู้รูปรู้นามแบบที่ว่าเราจําได้ไหมรู้ว่าเออนี่เป็นกายนะอันนี้เป็นใจนะกายไม่สบายมั น, นอาการอย่างนี้นะใจไม่สบายอาการอย่างนี้นะรู้อย่างนี้แหละอาการกายไม่สบายก็เรียกว่ารูปโรคใจไม่สบายเรียกว่านามโรครู้รู้เพื่ออะไร เพื่อที่จะไปแก้ไขเอาสิ่งที่ไม่ต้องการออกแก้เอาทุกออกแก้เอาความไม่สบายออกไปเรื่อยๆนะเมื่อแก้ความทุกข์เป็นมันก็จะทําให้เราเข้าใจรูปธรรมนามธรรมอ๋อรูปนี้ก็เป็นธรรมมาหนึ่งนามนี่ก็เป็นธรรมมาหนึ่งมันไม่เป็นทุกข์หน่ถ้าเราแก้เป็นนะถ้าเราแก้เป็นรูปก็เป็นธรรมนามก็เป็นธรรมถ้าแก้ไม่เป็นรูปก็เป็นทุกข์นามก็เป็นทุกข์ เราก็ตั้งใจแก้่ตั้งใจแก่คือมาสร้างสติสมาธิปัญญามากขึ้นเรื่อยๆทุกเวลานาทีนะในที่สุดเราจะเข้าใจอนิจจังทุกขังหน้าตาที่ดังกล่าวมาตามหลักที่ว่ามาเมื่อกี้นะดังนั้นในลักษณะอย่างนี้ก็ทําให้เราเห็นความจริงว่าชีวิตนี้อ้อมีแต่ของจริงตลอดเวลาของจริงมีกี่อย่าง ไปซาบัางคุณหลม้มย ง, ยงยอะไรของิงเป็นนิพพานของจรินิพพานเอางั้นก็ไม่ใช่คาสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าของจริงมีสี่อย่างใช่ไหมอ่านี้จะไของจริงมีเสีย่านี่อะไรบ้างไง ยต้าพระเจ้าบอกของจริงมีสี่อย่างมีอะไรบ้างของจริงแท้มีสี่อย่างแต่ว่านิพานนั้นเป็นยอดของจริงนะไม่ใช่ตัวของจริงเป็นยอดมันอีกทีหนึ่งแต่ตัวของจริงอ่ะมีอะไรบ้างอริยสัจสนั่นเห็นไหมของจริงอริยสัจเขาบอกตัวอริยสัจของจริงแท้เนี่ยอริยสัจนะแต่ตัวนิพานนั้นเป็นของยอดมันยอดของจริงความทุกข์เป็นของจริงไหม ความทุกข์กับความสุขอะไรเป็นของจริงอะไรเป็นของไม่จริงทุกข์สุขไม่ใช่ของจริงเออเอาล้คานคานพุทธเจ้าอีกแล้วพุทธเจ้าบอกว่าุกข์สมุทัยนี้เรื่พักไงว่าของจริงสียอย่างแต่ว่าของไม่จริงแต่กําลถามว่าทุกข์กับสุขแล้วอะไรของจริงแท้อะไรของจริงเทียมนความทุกข์เป็นของจริงแท้ความสุขเป็นของจริงเทียมเพราะความสุขเป็นของ ที่มีแล้วก็หายแต่ความทุกข์เนี่ยมันทุกข์มาตั้งแต่เกิดจนปัจนนี้มันหายหรือยังยังไม่หายยังทุกข์มืนเดิมใช่ไหมความไม่สบายตั้งแต่เราเกิดวันนี้ก็ยังไม่สบายเหมือนเดิมเลยอ่ะเนี่ยมันเป็นของจริงมันไม่หายไปไหนไอ้ที่มันมีมีหายหายนี่ของไม่จริงนะแต่ถ้ามีมันมีตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันแล้วก็จนตายมันยังมีอยู่แหละไอ้ทุกข์แต่ทุกข์เ น, นมันเกิดเองหรือมีที่มา อามันมีที่มาที่ไปก็เรียกสมุทัยนะแล้วทุกข์นี่ดับได้ไหมดับได้อ่าอันนี้เป็นของจริงนะของจริงต้องดับได้แต่ถ้าของไม่จริงเนี่ยดับไม่ได้ดับทุกข์กับดับสูงเนี่ยอันไหนง่ายกว่าดับทุกข์ง่ายกว่าเพราะสูขไปดับไมได้เพราะไม่มีเน่ะไปดับที่ไหนเพนาะไมี นี่แหละทุกสมุทัยนี่หลุดมากเป็นของจริงเนี่ยทั้นั้นในเรื่องเหล่านี้ต้องศึกษาเรื่องกายให้ดีถ้าอริสสีนี่เยอเหลือสองได้มผูเมมสีนี่เยอะเกินไปเยอะเหลือสองได้หมไละเอียดขนาดั้นอ๋อหรือไม่มีทุอ๋อหรื่อรเอเยอะเหลือสองน่าจะได้อยู่นะ ยมตีน่าจะได้เยอะสี่นี่เยอะไปัจะไม่ได้เอาสักสองก็แล้วกันโยมกีเรียฟอนอันนตยศเนี่ยให้เหลืสักสองได้ไหมก็มันสันไปมั้งในสองแบบนี้ก่ <c oughs> อนที่มันจะเกิดไปดับอ่ะมันจะต้องเป็นอะไรก่อนทุกขกับส ม, มุทัยนี่เป็นลูกหรือเป็นนามเป็นลูกสิ่งไหนที่มันทุกข์อ่ะสิ่งนั้นเป็นลูกอ่ะ นิโรธกับมร์เขาเรียกเป็นนามเพราะฉะนั้นเหลือสองคือลูกกับนามนั่นเองถ้ารู้ลูกรู้นามก็ดูอริยสัตว์อนนั้นและลูกนามนี่เยอเหลือสองได้ไหมเอาแต่แก่นมันอนะมาเ้าสองลูกเอาเปลือกออกขอ้างบเหลือแต่กะลาก็จได้เกิดกระดับมั้งไงนีแล้วเกิดกระดับนี่จะดูเองก็ดูกับหยุดกับเคลื่อนดูกายหยุดกายเคลื่อนเสมอก็เห็น การเกิดการดับเห็นรูปนามเห็นในเรสซัดเลยดูแค่สองอย่างเนี่ยเห็นแค่หยุดจะเคลื่อนเนี่ยรู้หยุดรูด้เคลื่อนรูไน้ไปรหมดเลยทั้งไอสัตว์ก็รู้เกิดดับก็รู้รูปนามก็รู้แต่ว่ามันง่ายเกินไปเลยหรือไม่อยากรู้ไงเพรมนุษย์เขาเราชอบของยากของง่ายๆให้รู้ไม่ไม่ยอมรู้ฉนั้นตั้งใจรู้หน่อ ย, ยแต่เกิดการดับของกายนะแต่เพื่อ คือรู้อยู่รู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปเกิดเห็นเกิดดาวพุทธกิจวันหนึ่งอ่ะแต่จะใช้อย่เรื่อยไปเรื่อยของมันแต่ยุรู้ไปเรื่อยยุ่ขึ้นหยุดยุ่ยขึ้นหยุดหยุดรู้ไปเรื่อยการเดินก็มีการเคลื่อนและการหยุดใช่ไหมการทำอะไรสักอย่างก็มีการเคลื่อนและการหยุดถ้ามีถ้ามันไม่หยุดก็ไม่มีเคลื่อนถ้าไม่มีเคลื่อนก็ไม่มีหยุดไอ้เคลื่อนได้เพราะมีหยุดใช่ไหมเดินอ่ะมีหยุดไหมอ่าถ้าไม่หยุดเราก็เดินต่อไม่ได้ ที่เราเดินต่อได้เพราะมันมีหยุดที่ไหนมีหยุดที่นั่นมีเคลื่อนที่ไหนมีเคลื่อนที่นั่นมีหยุดเราดูกันเคลื่อนก็เห็นกันหยุดเราดูกันหยุดก็เห็นกันเคลื่อนอ่าเพราะฉะนั้นดูให้สบายแต่ที่ดูแล้วมันไม่สบายเพราะเราดูด้วยความอยากอืมอยู่ด้วยความอยากอยากจะให้อะไรอยากให้มันรู้อยากให้มันเห็นอยากให้มันได้อันนั้นมันเสียตรงนั้นแหละแต่ถ้าดูไปเรื่อยๆไม่ต้องอยากว่าจะได้อะไรจะเห็นอะไรก็มีหน้าที่ดู มิเทาที่รู้ท่าี่รู้ ท, รทำก็ทําไปอ่ามิเท่ายืนก็ทําไปแต่ก็ดูวนไปแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นมันแสนจะง่ายดายนะปฏิบัติทาทำนี่นะ <c oughs> แต่ทําไมทําให้มันยากเพราะว่ก็เอ๊มันมันจะต้องอทําความเข้าใจกันหลายรอบเพราะมันมันง่ายนี่แหละก็นะอันนี้คือ หลักสูตรทั้งที่ส่วนเป็นวิธีการคุมวัฒนเทียนทั้งกายและใจทั้งรูปและนามว่าด้วยหมดกายนะแบบ่งเป็นหกอย่างในรายละเอยียดทั้งหมดอ้าวตอนนี้เหลือเวลาอีกห้านาทีใครสงสัยอะไรมัางไม่ต้องไปไม่ต้องไปเห็นถ้าหากว่าเราดูเกิดดับของกายเป็นก็จะเกิดดับของจิตนั่นแหละเกิดดับของจิตเกิดดับของกายบ่อยเข้าบ่อยเข้าวันหนึ่งมันจะไปเห็นการเกิดดับของจิตถ้า ญาณปัญญามันพอนะแต่เราจะไปดูการเกิดดับย์ของจิตเลยโดยที่การเกิดดับย์ของกายยังไม่ชํานาญก็ไปเห็นไม่ได้มันเห็นโดยอัตโนมัติของมันเองอ่ามันจะเห็นของมันเองไม่ต้องไปตั้งใจไม่ต้องไปตั้งใจเดี๋ยวมันเห็นจริงๆนะไม่ใช่ไปตั้งใจจะเห็นมันนะนั่นนะก็หลวกพ่อเทียนนี่ใช้ว่าดูกายเห็นจิตอย่างเงยดูคิดเห็นทำอีกอย่างก็เห็นความคิดใช่ไหม นี่ควาคิดมันเกิดอเดี๋ยวความคิดก็ดับไปมันเห็นไปทีละอย่างละอย่างละอย่างก่อนที่ไปเห็นความเกิดดับของจิตต้องไปเห็นความอเห็นความคิดก่อนเห็นการเกิดดับของกายคือการหยุดการเคลื่อนแต่ว่าก็เห็นความคิดมันเกิดมันดับอ่าเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันมีก็ดูไปตรนั้นบ่อยๆพอดูตรงนันบ่อยสักวันหนึ่งยานปัญญามันพร้อมก็จะไปเห็นวาราของจิตอ่าไม่อยากเลยใช่ไหมยมตีเฮ้อเลยนะ อ่าเห็นแล้วนะเขาแล้วทำไมไวอย่างนะเห็นคราวที่แล้วเห็นหน่อยอันรุ่นหนึ่งรุน น, นึงแล้วนะนก็วันพรุ่งนี้เห็นว่าฝ่ายธรรมะบริการเขาอาจจะมาช่วยนะพวกคุณไปจุม่มอาจารย์ปุ๊กตรงนี้นะเดีย๋ยมาช่วยกันนะก็ต่อวันต่อไปก็จะมีคลิปอะไรดีๆนะเพื่อที่เราจะทําเรื่องนี้ให้มันชํานานประเภทจะเข้าปฏิบัติครั้งหนึ่งก็ให้มันอ่าเรียกว่า เอาไปใช้ได้เลยอะ่ะไม่ต้องซ้ํำซากหลายครั้งนะแต่ถ้าหากว่าเราเข้าครั้งแรกมันไม่ชัดครั้งต่อไปมันก็ไม่ชัดก็เสียเวลาให้มันชัดจะครั้งนี้เอาไปทําแต่ว่าชาัดแล้วไม่เอาไปทําแสดงว่าวาสนาบา ร, รมีไม่พอเดี๋ยวก็ต้องไปหาทางอื่นตอไปอีกนะทางนี้เข้าใจแล้วก็ยังเอาไม่ไดก้ก็เรียกว่าวาสนาก็ไปสร้างต่อกันไปนะตกลงไม่มีอะไรนะม เพราะคุณคุ้นก็บลมหายใจอ่าก็ก็ดีนะแต่ว่าเวลามันจิตมันเข้ามันออกจิตมันคิดทันมันหรือเปล่าก็แสดงว่าสติมันก็ยังไม่พอสติยังไม่เข้มแข็งอ๋อก็เพราะว่าสติมันดีขึ้นไงสติได้จากการเคลื่อนไหวเนี่ยแต่ความจริงแล้วเขาให้รู้ทั้งหมดให้ชัดเท่าๆกันแต่แต่หัวยู่เท้านะถ้าเกิดมันไปชัดอันใดหนึ่งแล้วจิตมันจะไปติดอันนั้น แต่ให้มันชัดทั้งหมดมันคือจิตมันก็จะรับรู้เรียกว่าสัมปชัญญะนะพอมันไปชัดอันใดหนึ่งเขาเรียกว่าสมาธิแต่ตัวที่จะเป็นเหตุการให้เกิดปัญญาคือสัมปชัญญะเพราะฉะนี้นก็ดูให้มันชัดทั้งหมดสัมปชัญญะรู้ตัวทุกพร้อมนะแล้วแต่พอหยุดเท้าแล้วแต่ว่าเราทําอะไรมันก็จะไปชัดอันนั้นไม่ใช่ชัดพร้อมกัทั้งหมดนะถ้ามือไปจับอะไรชัดมันก็รู้ชัดๆเ่ยมันไปชัดตรงนี้ ไม่ได้ชัดที่ลมหายใจนะมันชัดที่มือจับเรานั่งตรงนี้มันหนักมันเหน็บตรงนี้ก็ไม่ชัดตรงนี้ลมหายใจก็ไม่ชัดแต่มันมาชัดตรงที่มันเอมันจะชัดจริงๆริงที่จุดจุดที่จุดไปเลยแต่พยายามตามมันเดี๋ยวมันชัดตรงนี้เดี๋ยวมันชัดตรงนั้นแล้วแต่ว่าเราจะใส่เจตนาลงไปตรงไหนนะแต่ให้ดูให้ทั่วมันจะเพ่งดูอาการอะไรหนึ่งมันจะชัดตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้างตามดูตามดูมันไปเรื่อยๆ ก็โอเคก็คอนโมทนาสาธุในความตั้งใจที่พวกเราทั้งหลายจะได้ํำไปพิสูจน์นำไปปฏิบัติในยิดิบทต่างๆโดยที่ไม่ดาด่ดวมไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้มันไปกับความคิดหรือไปกับอารมณ์ชอบหรือไม่ชอบแต่พยายามประคับประคองให้รู้เนือน้อรู้ตัวชัดเบาคลอนคลายสบายๆเ ส, สมอด้การทุกคนทุกทันเทิ